ขึ้นชื่อว่าพี่เลนแล้วจะไม่ยอมยินดีอนุโมทนาสาธุการกับใครกับใครนะอิจฉาริษยาเหน็นเขาดีก็อิจฉาริษยาเขาในที่สุดใครมาอยู่นี่ให้ดีกว่าเราไม่ได้ต้องให้เราดีกว่าเขาตลอดเท่ากับกองชี้เนี่ยก็ให้ดีกว่าเขาดีชี้ไปแข่งสงทํามันแข่งได้ยังไงผู้ดีท่านมีอยู่ดีระบบธรมรธรรมชาติ ท่านมหาแข่งไทยท่านแข่งแต่สิ่งที่เป็นไปต่อจิตใจของท่านคึกิีเล็แข่งจำนั้นชนะเด่นท่านไม่ไปแข่งกับผู้ใดผู้ใดทั้งนั้นท่านแข่งอยู่ตรงนั้นท่นนานชนะตรงนั้นแล้วก็ดีตรงนั้นแล้วไม้ไปหาปีชมไข่ดูเจ้าของพอแล้วฟอร์หมดนะเรื่องทำไปอย่างนั้นท่าที่เด็ดแล้วฟองตัวฟองตัว <c oughs> ที่เล็ดไปไหนมันจะฟองตัวของมันไปแล้วเป็นข้าสึกไปเรื่อยๆให้พาคณะระวัง